จำเป็นหรือไม่การภาวนาต้องควบคู่ไปกับการเรียนอภิธรรมกราบนมส ก, การหลวงตามหาบัวที่เคารพนับแต่ผมได้ฟังเทศของหลวงตาผมก็หันมาสนใจในพระพุทธศาสนาและได้ฟังหลวงตาเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำครับอาทิปฏิบัติภาวนาท่องพุทธโธให้ติดอยู่แนบจิตทำสมาธิตามคาแนะนาของหลวงตา และหาอ่านธรรมะที่มีอยู่ทางเว็บไซต์ครับจนกระทั่งผมได้สนทนากับเพื่อนที่สนใจในทางธรรมเพื่อนแนะนําให้ผมได้ไปอ่านพระอภิธรรมเพื่อความรู้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อผมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจครับติดขัดในข้อบาลีรันไปเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เมื่อพระผู้สอนก็เอ่ยถึงคําบาลีผมเองก็ไม่เข้าใจความหมายเพราะไม่เคยเรียนมาทางด้านนี้เลย ดังนั้นผมขอถามว่าการปฏิบัติภาวนาจำเป็นหรือไม่ที่ต้องศึกษาพระอภิธรรมควบคู่ไปด้วยท้ายสุดนี้ขอกราบขอพระคุณหลวงตาที่ได้เทศนาสั่งสอนแก่ชาวโลกให้มาสนใจในธรรมะเพื่อความพ้นทุกคลับหมายเหตุในสมัยก่อนนั้นโดยปกติแล้วจะมีคนเขียนจดหมายหรืออีเมลส่งหาถึงวัดป่าบ้านตาด และหลวงตาท่านจะเมตตาตอบคำถามที่สาลาในวัดป่าบ้านตาดโดยให้ลูกศิษย์อ่านคำถามให้ฟังนะครับหลวงตาตอบว่าอภิธรรมก็คือพระพุทธเจ้าองค์เอกเข้าใจหรือนั่นแหละตัวอภิธรรมคือพระพุทธเจ้าองค์เอกอภิธรรมออกมาออกมาจากพระพุทธเจ้าครันออกมาแล้ว ก็เป็นความจดความจำของผู้ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้เคยเห็นมันจึงเหลวไหลไปทั้งเขาทั้งเราเพราะฉะนั้นจึงเอาภายในจิตนี้ให้ดีอภิธรรมอยู่ในจิตนี้เข้าใจหรือบอกอะไรก็ไม่เหนือไปจากสติกับจิตให้ติดแนบกันมันจะแยกขยายไปไหนอาการของจิตมันจะค่อยรู้ค่อยแตกแขนงออกไป แล้วปัญญาจะค่อยพิจารณาไปตามสิ่งที่รู้ที่เห็นนั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสมันไม่เห็นมีบาลีตรงนี้ไม่เห็นใครพูดกันเอะก็บาลีบาลีบาลีเป็นเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้ากิเลสมันไม่เห็นเป็นบาลีอะไรเดี๋ยวนี้มีตั้งแต่เอากิเลสมาใช้กันครั้นเวลาจะพูดธรรมะก็ขึ้นเป็นบาลีแล้วก็แปลสุมสีสุมห้า เจ้าของก็ไม่เคยปฏิบัติบาลีว่างั้นบาลีว่างี้ไปเลยแล้วเต็มตั้งแต่บาลีแหละพวกปริยัติหลวงตาบัวเนี่ยก็เป็นมหาบัวมันก็เป็นนอนแทกกระดาษเข้าใจไหมถ้าไม่ปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติจะเป็นความจริงขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นจึงขอให้มีภาคปฏิบัติ จิตตภาวนาเป็นรากใหญ่สำคัญมากของการปฏิบัติและผลทั้งหลายจะรู้ขึ้นจากภาคปฏิบัติเพียงแต่ เ, เรียนจามาเฉยๆยกคำพีมาแบกจนหลังหักมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเป็นความจำเด็กเรียนก็ได้ผู้ใหญ่เรียนก็ได้ผู้หญิงผู้ชายเรียนก็ได้จาได้ด้วยกันแต่ไม่มีกิเลสถลกปอกเปิกถ้าไม่นาออกปฏิบัติ ท่านนำออกปฏิบัติไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชหรือคารวาสปฏิบัติได้ด้วยกันเพราะจิตนี้ไม่มีเพศกิเลสก็ไม่มีเพศมันอยู่ในจิตธรรมะไม่มีเพศอยู่ในจิตแกเข้าไปถูกจุดแล้วกิเลสก็กระจายออกบาลีไม่บาลีไม่สำคัญเข้าใจหรือเอาแค่นี้ก่อน